วันนี้ก็ตั้งชื่อเรื่องเนาะเจริญสติให้ต่อเนื่องตรงนี้สําคัญมากเมื่อวานก็ได้พูดถึงเรื่องว่าที่เราได้สว่าได้ยินได้ฟังมานะเรื่องการฝึกสติเรื่องการเจริญสติเนี่ยเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วเนี่ยก็ต้องปฏิบัติการที่ได้ยินได้ฟังมาไม่ไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็เท่ากับว่าเราก็ฟังแล้วก็ได้แค่ฟังแล้วก็จํำจำจำเป็นความรู้จํามา ไม่ได้เป็นความรู้ของตัวเองอะไรเงี้ยเนาะอ้าวคุยกับโยมวิเสียวพ่อก่อนเนาะเมื่อวานได้ให้คําแนะนําไปแล้วแล้วเมื่อเมื่อค่าเมื่อคืนเมื่อเช้าอ่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยลองไปไปปรับใช้ในส่วนไหนยังไงบ้างหรือเปล่าได้ได้ได้ฟังคําสอนของหลวงพ่อใช่ไหมครับจริงๆก่อนก่อนด้านเนี้ยผมก็รู้สึกถึงถึงการการเข้าหา ทำมาครับแต่ก็ยังไม่ได้แบบ ม, มีภาวะที่ได้ศึกษาอย่างอย่างเข้าใจมากอะฮะแต่ว่าก็ก็พยายามอยู่บนพื้นฐานของแบบพุทธศาสนาชนอะไรเงี้ยครับก็เริ่มเริ่มมาตั้งแต่ผมเริ่มมีครอบครัวแหละครับเมื่อก่อนก็นเกเรมากเลยแหละแล้วก็พอเริ่มมีครอบครัวเมื่อสักประมาณสิบสิบกว่าปีที่แล้วอะไรเงี้ยครับมีลูกอะไรเงี้ยก็เข้าไปอยู่ในวัดละครั้งอ่ะ ในโบสตั้งสี่ชั่วโมงเพราะว่ากลัวกลัวแบบว่าโอ้ยลูกออกมาจะสมบูรณ์ไหมอะไรไหมมันมันเป็นอย่างนั้นนะครับ <_ S 1> เสร็จแล้วผมก็ก็ก็น่าอยู่หน้าพระประธานแล้วก็แบบอะไรถวายสัตว์ใช่ไหมครับคือแบบเหมือนกับขอให้แบบลูกสมบูรณ์อะไรเงี้ยแล้วเราจะอยู่ในในธรรมอะไรเงี้ยครับแล้วก็หลังจากนั้นผมก็ดําเนินชีวิตเรื่อยมาอะไรเงี้ยครับก็ผมก็มีความสุขดีมากเลยครับลูกก็น่ารักภรรยาก็แบบ ก็เป็นครอบครัวที่โชคดีละที่ทีมมีครอบครัวแบบนี้อะไรครับเพียงแต่ว่าเมื่อวานเนี้ยที่เรียนถามหลวงพ่อก็คือว่าผมผมก็มองไปในอนาคตว่าแบบเออเราเราจะมีอนาคตแบบไหนอะไรยังไงอะไรเงี้ยก็ที่เราที่ดีอยู่ครับก็ไม่ได้แบบวางเป้าหมายที่มันแบบเกินตัวอะไรไปอะไรเงี้ยครับแล้วก็เออก็มาเกิดภาวะ เอ่อโควิดใช่ไหมฮะมันก็ไม่ได้ถึงขนาดทําให้เราเกิดปัญหาอะไรมากมายอะไรเงี้ยครับเพียงแต่ว่าบางครั้งเราก็ต้องการแบบคิดหรือกําลังใจที่แบบอืมเราก็ค่อยๆประคองอย่างเนี้ยเหมือนเหมือนเหมือนคําแนะนําที่จะเรียกสติเราอะไรเงี้ยครัให้เราแบบยังคงที่จะมุ่งมั่นในการทําไปอะไรเงี้ยครับก่นนี้เมื่อวานหลวงพ่อก็บอกว่าอ๋อลองลองเข้ามาเรียนรู้แล้วก็ศึกษาพระธรรม คำสอนอะไรเงี้ยเพื่อนี่เป็นพื้นฐานของการที่แบบนำไปปรับปรุงกับการเดิมเดินชีวิตของเราได้อะไรเงี้ยครับก็ก็พยายามทำมาอยู่แล้วก็ก็ผมทำพื้นฐานอย่างเช่นการสวมดมนต์ไหว้พระทั่วไปครับแต่แต่ก่อนหน้านั้นเลยสิ่งสำคัญก็คือการละอายในบาปอะไรเงี้ยครับการการเกรงกลัวการละอายในบาปอะไรเงี้ยอันนี้มันเป็นพื้นฐานที่ที่พยายามแบบ เป็ น, เ ป, นเป็นกรอบการดำเนินชีวิตมาเลยนะครับตั้งแต่เริ่มรู้สึกตัวว่าเราเราเกรงกลัวอะไรเงี้ยครับต่อบาปอะไรเงี้ยครับก็การที่เข้ามาฟังก็ขอฟังหลวงพ่อไปเรื่อยเพื่อจะได้เปิดโลกทัศน์เปิดความคิดอะไรไปเรื่อยครับพ่อครับสาธุครับอ่าดีแล้วที่มีความเกรงกลัวต่อบาปจะไม่กล้าทำความชั่ว เพราะการทำความชั่วเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดทุกข์นะเกิดความเดือดเนื้อร้อนใจในภายหลังนะความชั่วจึงไม่ทำซะเลยดีกว่าส่วนความดีทำไปเลยนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งเป็นพื้นฐานซึ่งทุกศาสนาเขาก็สอนเนาะสอนให้เป็นคนดีไม่เป็นคนชั่วสอนเหมือนกันหมดเลยแต่ทีนี้ ขณะที่เรากำลังเขาเรียกว่าทำอย่างที่อยู่อะไร น, นะทำความดีไม่ทำความชั่วเนี่ยอันนี้ก็ทำอยู่แล้วแต่ทีนี้ต้องพัฒนาเพิ่มเติมก็คือเรื่องของการทำเขาเรียกว่าทำสมาธิทำสมาธิคือทำจิตให้มันสงบนะการที่จะมีจิตสงบได้เนี่ยจริงๆอะ่ะการที่เราไม่ทำชั่วเนี่ยความความเป็นอยู่ของจิตเนี่ยก็ค่อนข้างจะสงบระดับหนึ่งแล้วแหละ แต่ว่าบางทีมันก็อย่างว่าเนาะถึงแม้ว่าเราไม่ทําชั่วแต่ว่าจากสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ในสังคมเนี่ยมันมีสิ่งมากระทบทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายนะแล้วก็มันลงไปที่ใจทําให้เกิดความรู้สึกรู้สึกแบบฟุ้งซ้านลาคาญใจเป็นทุกข์เป็นทุกข์กได้ตรงนี้ก็เชีย่ยเห็นว่านะการที่แม้ว่าเราจะทําความดีนะความดีเขแค่ไหนก็นแล้วแต่ แต่สิ่งที่มากระทบเป็นสิ่งที่ห้ามไม่ได้แล้วก็พอมันลงถึงใจแล้วมันก็จะแสดงปฏิกิริยาปฏิอาการเออเกิดอาการต่างๆเนาะทั้งที่ชอบใจและไม่ชอบใจแต่ทีนี้ว่าถ้าเราจะต่อยอดต่อยอดจากการทำความดีเนี่ยก็เนี่ยตรงนี้ก็คือทำสมาธิ ทาสมาธิคือทาบางครั้งในเวลาสมมติว่ามันมีสิ่งมากระทบใจมากๆเนาะมันหมดเลี้ยวหมดแรงอ่ะเขาเรียกว่าจิตใจมันมันป้อแป้แล้วร่างกายก็อ่อนแอไปตามจิตใจด้วยตรงเนี้ยจะต้องจะต้องมีสมาธิที่จ ะ, ะบรรเทาระ ง, งับอาการเหลอนนั้นได้ซึ่งอุบายในการทําสมาธิเนี่ยมันก็มีหลายวิธีเนาะ การถ้าเราเห็นรูปแบบที่ที่เราเห็นเห็นกันอยู่เนาะในวงการนักปฏิบัติเนี่ยก็ส่วนมากอนะ่ะไปนั่งห้องพระหรือไปวดัดนะแล้วก็ไปนั่งปิดตาขวาทับซ้ายอะไรก็ว่าไปแล้วก็บางคนก็เดินจงกลมบางคนก็ท่องพุโทโธนะอันนี้มันก็เป็นอุบายอย่างหนึ่งที่จะทําให้จิตสงบอ่นะเพราะว่าถ้าจิตสงบเนี่ยมันคล้ายๆว่ามันทําให้ เกิดความรู้สึกมีความสุขนะเออความวุ่นวายใจความอะไรมันก็าหายไปเออพอทีนี้พอเราทำำําสมาธิมากๆแล้วเนี่ยเราก็จะสัมผัสได้แล้วว่าโอ้ความสุขอย่างสมาธิเนี่ยมันดีกว่าความสุขที่เราไปแสวงหาอย่างอื่นด้วยซ้ำไปแสวงหาอะไรเช่นไปเที่ยวไปกินไปเอฮากับเพื่อนนะเมื่อก่อนเราอาจจะรู้สึกว่าเออมันมีความสุขนะสนุกสนานแต่ว่าถ้าเรา มีสมาธิเนี่ยมันปลาณีิปลาณนิดกว่าสิ่งเหล่านั้นเยอะแยะมากมายทีนี้ถ้าพบความสุขจากสมาธินี่นะพบบางทีอาจพบไม่เยอะหรอกแค่พบนิดหน่อยมันก็รู้ว่าโอ้อันนี้ดีกว่าพอเริ่มรู้ว่าความสุขแบบนี้ดีกว่าดีกว่าที่เราจะไปกินไปเที่ยวเนี่ยเดี๋ยวสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันก็จะเลิกไปเองมันก็จะเกิดความเบือ่อมันรู้สึกว่าอนี้ดีกว่า ก็จะกลายเป็นคนชอบชอบทําสมาธิชอบทําสมาธิคือมันมีความสุขไงเนาะแล้วมันก็จะชอบไปเลื่อยไปเลื่อยบางทีพอชอบมากๆเนี่ยถึงขั้นที่ไม่อยากจะคุยกับใครไม่อยากจะยุ่งกับกับใครแล้วบางคนถึงขั้นแบบอยู่คนเดียวเลยวันๆก็อยู่แต่เงียบเงียบส่วนตัวอะไรเนี่ยอันนี้ก็จริงๆมันก็เป็นโทษแล้วนะเพราะว่ามันมันเป็นโทษยังไงก็คือว่ามันมันทำให้ผิด ความปกติไปก็คือบางคนอาจจะถึงขั้นขี้เกียจนะขี้เกียจทางานขี้เกียจช่วยงานบ้านขี้เกียจนู่นหมดเลยเพราะว่ามันมีความสุขเพราะนั้นความสุขเนี่ยมันจริงความสุขจากสมาธิเนาะมันเป็นแค่พักผ่อนทางจิตแค่แค่ชักช่วงหนึ่งแต่พอเห็นว่าเออพอสมควรแล้วเนี่ยเราก็ต้องออกจากสมาธิก็คือออกมารับรู้นะ ให้จิตเนี่ยมีการรับรู้ทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเริ่มรับรู้ให้เห็นให้เห็นสิ่งต่างๆที่มันมากระทบแล้วก็ค่อยๆสังเกตว่าเออสิ่งต่างๆเนาะพอมันมากระทบแล้วเนี่ยมันก็จะรู้ได้ที่ตัวเราเช่นอ่าเย็นร้อนอ่อนแข็งที่มากระทบกายเนาะมันก็จะรู้สึกขึ้นมาว่าเออมีความเย็นมีความแข็งมีอะไรแล้วแต่หรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในร่างกาย มันมีความเจ็บความปวดความอะไรก็แล้วแต่เนาะทางจิตใจก็จะรับรู้ถึงความพอใจไม่พอใจทีนี้พอในขั้นเนี้ก็คือหมายความว่าเอาสิ่งที่มากระทบกายกระทบจิตนี่แหละมาเป็นาฐานที่ตั้งของของกรรมฐานเพราะการที่จะพ้นทุกข์ได้ก็คือจะต้องเห็นอาการที่เกิดขึ้นในกายในใจนี่แหละนะเห็นมันจนเข้าใจมันว่า ชีวิตเราเนาะมันก็มีประมาณแค่นี้คือถูกกระทบแล้วก็เกิดอาการที่กายเกิดอาการทางจิตเรียนรู้มันตรงนี้เขาเรียกว่าเริ่มเริ่มที่จะต่อยอดจากสมาธิเริ่มที่จะเดินปัญญาปัญญาก็คือเห็นตามความเป็นจริงของร่างกายและจิตใจที่มันมีอาการต่างๆ ทั้งที่ถูกใจไม่ถูกใจทั้งที่ชอบไม่ชอบเรียนรู้ไปอเรียนรู้ก็เพื่ออะไรล่ะก็เพื่อให้มันรู้อย่างแจ่มแจ้งให้ถึงใจเลยว่าธรรมชาติของกายของจิตเนี่ยมันมีความแปรปรวนอยู่อย่างเนี้ยตลอดตลอดชีวิตที่ยังไม่ตายอะ่ะเออเราต้องเรียนตอนเป็นๆเนานะเพราะว่าตายแล้วเราเรียนไม่ได้เ อ, อพอเรียนเรียนไปเรื่องเนี้ยก็เรียกว่าขยันรู้ขยนันขยันดู เพื่อเห็นความจริงเพราะว่าความจริงของร่างกายจิตใจเนี่ยเขาเรียกว่ามันแสดงความทุกข์ให้เห็นตลอดเวลาความทุกข์ก็คือคือถ้าชาวบ้านทั่วไปเนาะเขาเข้าใจว่าความทุกข์คือความไม่สบายกายความไม่สบายใจนะแต่จริงๆถ้าทุกในทางธรรมะเนี่ยมันมันละเอียดกว่านั้นก็หมายความว่าสิ่งใดที่มันมีอยู่สิ่งใดปรากฏอยู่อันเนี้ยพระพุทธเจ้าบอกว่ามันเป็นทุกข์ทั้งหมดคือเป็นทุกข์ที่ทนได้ยาก มันจะต้องบีบคั้นให้เปลี่ยนแปลงนะบีบคั้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพอเปลี่ยนแปลงเสร็จเขาก็เรียกว่าไม่เที่ยงเออทีนี้เราก็สัมผัสได้แล้วนี่เนาะชีวิตที่เกิดมาอายุเท่านี้เราก็เห็นสิ่งต่างๆมากมายมันมีแต่ความไม่เที่ยงคือมีแล้วมันก็เปลี่ยนนะมีแล้วก็เปลี่ยนไม่ว่าจะมองสิ่งไหนสิ่งนั้นที่มีอ่ะมันเปลี่ยนหมดเลยทีนี้เราดูเราดูอ่สมมติเราดู สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวก่อนเนาะเช่นเราดูคนในครอบครัวเนี่ยดูในทางด้านร่างกายก็ได้อ่าสมมติ่เรามีลูกแต่เดิมลูกไม่มีนะพอมีเกิดมาแล้วปรากฏมาแล้วลูกของลูกของเราเนี่ยในส่วนร่างกายเนี่ยเปลี่ยนมาตลอดเลยจากเด็กเล็กเด็กน้อยก็โตขึ้นมาเรื่อยๆนะแล้วก็พวกเอาในตัวนี้หลวงพ่อพูดลัสักหน่อยเนาะก็คือว่าในทางด้านร่างกายเนี่ย มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดนะรวมถึงความไม่สบายกายก็คือความเจ็บความปวดความป่วยเนี่ยที่ลูกนี่เนี่ยมันก็มีตลอดเด็กๆ เ, เกิดมาเนี่ยภูมติต้านทานต่ําเนาะก็มักจะป่วยไข้เสมอแต่ป่วยแล้วก็หายหายแล้วก็ป่วยใหม่นี่คือความเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายส่วนจิตใจอลองสังเกตดูนะเด็กดูนะบางทีลูกเราแหละบางทีเขาก็อารมณ์ดีดี บางทีก็ร้องง่ายงอแงนะบางทีก็หัว็อกกี้กักกุ้ยกักอารมณ์ดีแล้วบางทีก็คือเห็นหง่ายๆเลยว่าทางด้านจิตใจเนี่ยมันก็มีอารมณ์แปรปรวนมีความเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตรงนี้ชี้ใหเห็นความจริงว่าอารมณ์ทางจิตใจอ่ะมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันพอไม่เที่ยงเนี่ยเราก็จะเห็นถึงความไม่เที่ยงของทุกสรร พ, พสิ่งก็หมายถึงว่าสิ่งอะไรก็ตามที่ปรากฏขึ้น ไม่เที่ยงเป็นทุกข์หมดเลยนะแล้วก็พอเข้าใจเรื่องความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ก็จะเข้าใจเรื่องความไม่ใช่ตัวตนคือเข้าใจถึงว่าอ๋อสิ่งนั้นมันไม่ใช่เป็นอัตตาแต่มันเป็นอนัตตาอนัตตก็แปลว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเนาะไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราทีนี้ถ้าเข้าใจแบบเนี้ยในขั้นสูงเมื่อมีปัญญามากเนี่ยมันก็จะเข้าใจเลยว่าโอ้ สิ่งที่เกิดมาเนี่ยสิ่งใดเกิดมาสิ่งนั้นต้องหมดไปอ่ะนั่นหมายถึงกำลังชี้ให้เห็นว่านี่ภาษาแบบชาวบ้านเลยนะทุกคนที่เกิดมาตายหมดไม่มีเหลือสักคนหนึ่งตายหมดถึงจะรักถึงจะโกรธจะเกลียดกันแค่ไหนก็ต้องตายแล้วเมื่อตายเป็นยังไงถ้าไม่มีปัญญาในทางธรรมะมันก็เป็นทุกข์สิใช่ที่เป็นทุกข์ก็เพราะว่าไปหลงยึด ไปหลงยึดว่าไอ้สิ่งนั้นอะสิ่งที่จากไปสิ่งที่ตายอ่ะมันเป็นของเราเออมันเป็นของเราทีนี้ถ้าเราปฏิบัติธรรมถึงขั้นอ่ถึงขั้นมีปัญญามากก็รู้ว่าอ๋อมันเป็นแค่สิ่งสิ่งนั้นแหละแต่ว่าเราไม่ได้เป็นเจ้าของนะไอ้ธรรมชาติที่เกิดนั้นเนี่ยมันไม่มีเจ้าของนะความจริงอะ่ะเนี่ยต้องเข้าใจเลยว่าสิ่งที่เกิดอ่ะมันไม่มีไม่มีเจ้าของไม่เป็นของใครอ่ะทีนี้พอเราเข้าใจสิ่งนอกตัวว่า มันไม่เป็นของเรานะไม่มีใครเป็นเจ้าของเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องเข้าให้ถึงก็คือตัวเราเองนี่แหละตัวเราเองก็เป็นสิ่งที่เกิดมาเป็นสิ่งที่ปรากฏมาแล้วก็ต้องพัดพรากจากไปด้วยทุกด้วยทุกสิ่งมันบีบคั้นต้องให้แตกให้ตายให้สลายแล้วสุดท้ายก็แตกสลายจริงๆก็คือตายเกิดมาแล้วตายหมดอเกิดมาแล้วตายหมดทีนี้ถ้าก่อนตาย มีปัญญาที่จะเข้าใจได้เลยว่าสิ่งเนี้ยที่เกิดมามันต้องตายอยู่แล้วแล้วสิ่งนี้ดับไปมันก็เป็นเรื่องของธรรมชาติที่มันมีกฎตาย ต, ายตัวของมันอย่างนั้นแล้วก็เข้าใจด้วยปัญญาว่าอ๋อที่มันเกิดแล้วตายจริงๆอ่ะมันก็เป็นแค่สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดมาในโลกนี้แล้วสุดท้ายมันก็แตกมันไม่ใช่ตัวเราอ่ะ นี่หลวงพ่อพาอย่างรัดมากเพื่อให้เข้าใจใ น, ในภาพรวมไงว่าจริงๆเราจะต้องเรียนธรรมะให้เกิดปัญญารู้แจ้งเห็นตามความเป็นจริงว่าไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่เป็นเราหรือว่าเป็นตัวตนของเราถ้าผู้มีปัญญาสามารถปฏิบัติถึงขั้นนี้ได้ก็หมายความว่าก็จะไม่มีทุกข์หมายความว่าไม่มีเราต้องเป็นทุกข์เพราะเราไม่มีมันมีแต่สิ่งที่เกิดแล้วมันก็จากไป ไอสิ่งที่เกิดเนี่ยมันเป็นทุกข์ด้วยตัวมันเองนะมันเป็นทุกข์ด้วยตัวมันเองแล้วมันก็แตกสลายด้วยตัวมันเองนะสิ่งนั้นแหละมันไม่ใช่เราถ้าเห็นแจ้งอย่างนี้ว่ามันไม่ใช่เราก็ก็สามารถที่จะพ้นทุกข์ได้ในชาตินี้ตอนนี้ความเป็นอยู่ของญาติโ ย, ยมเนาะอุบาสกอุบาสิกาซึ่งยังครองเรือนเนี่ยซึ่งมีภาระมากในการเลี้ยงดูนะ ยังดูคู่สมรสเลงดูลูกเลี้ยงดูหลานยัียงดูพ่อแม่แต่ถ้าไม่เข้าใจธรรมะเนี่ยเพราะสิ่งพวกนี้จะต้องจากไปแล้วก็แก่เจ็บตายไปหมดเลยพรัดพรากกันหมดถ้าไม่เข้าใจธรรมะไม่รู้ธรรมะมันก็จะเป็นทุกข์แต่ถ้ารู้ธรรมะเข้าใจธรรมะอย่างที่หลวงพ่อได้เกลิ่นบอกเนี่ยมันก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่เป็นทุกข์เพียงแต่การรับรู้ว่าสิ่งนั้นมีอยู่แล้วก็จากไปจะไม่เป็นทุกข์ นี่แหละสิ่งนี้ที่พระพุทธเจ้าเาขาเรียกว่าไปค้นพบสัจธรรมเนี่ยก็คือปฏิบัติจนเกิดปัญญาว่าเห็นทุกสิ่งทุกอย่างนะในในโลกเนี้ยในจั ก, กราวาลเนี้ยนะไม่มีใครเป็นเจ้าของมีแต่สาภาพของมันเป็นเช่นนั้นแล้วมันก็แตกสลายไปพระพุทธเจ้ามีปัญญาเห็นแจ้งอย่างเนี้ก็เป็นเาเรียกว่าเป็นพระพุทธเจ้านะ เป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นผู้เบิกบานคือจัดจะรู้ชอบด้วยตนเองคือเห็นแจ้งด้วยตนเองแล้วก็เป็นผู้ตื่นคือพ้นไปจากการหลับไหลนะผู้เบิกบานก็คือไม่เศร้าหมองอะไรอีกแล้วก็เลยเรียกว่านิพพานอ่ะนี่เราก็วิธีปฏิบัติของเราก็คือนี่แหละต้องฟังนะักฟังคำสอนของท่านเมื่อฟังแล้วก็ต้องไปปฏิบัติอย่างที่หลวงพ่อบอกแล้วนะต้องมีตั้งแต่เริ่มมีศีลเนานะแล้วก็ มีสมาธิให้เป็นแล้วก็จนเกิดปัญญานะแต่ทั้งหมดนี้ถ้าหลวงพ่อจะพูดโดยย่ อ, อ ก, ก็คือว่าการที่ให้มีศีลให้มีสมาธิให้มีปัญญาเนี่ยเริ่มต้นจากมีสติตัวเดียวฝึกสติตัวเดียวสามารถที่จะบังเกิดผลก็คือมีศีลมีสมาธิมีปัญญาได้ขาดสติตัวเดียวมันก็ขาดศีลนะขาดสมาธิขาดปัญญาเพราะนั้น มันไม่เยอะหรอกการฝึกนะก็ฝึกสตินี่แหละฝึกสติก็คือรู้กายรู้ใจจนเห็นความจริงตามที่หลวงพ่อได้พูดอย่างคร่าวๆให้ฟังการฝึกเนี่ยจริงๆเนี่ยยังไงมันก็มีผิดเยอะนะในการฝึกสติเนี่ยมีการผิดฝึกผิดก็บางทีถ้าไม่รู้ว่าผิดมันก็จะเนิ่นช้าเสียเวลาเนาะเพราะว่าความตายของคนเราเนี่ยมันไม่รู้ว่าจะตายวันไหนเหมือนกันอืมบอกไม่ได้บางทีกายกระทันหัน ฝึกสติยังไม่ทันเท่าไหร่ออกกตา่ายซะก่อนก็ต้องไปต่อยอดอีกแต่ถ้าฝึกอย่างถูกต้องนะจริงๆในพระสูตรเนี่ยมันก็มีนะการฝึกสติอย่างถูกต้องเนี่ยท่านพูดถึงว่าถ้าฝึกสติอย่างถูกต้องเนี่ยมันก็ไม่เกิน7ปีนะสามารถที่จะเป็นพระอรหันต์อะไรได้เนี่ยแล้วก็ถ้าเร็วกว่านั้นก็คือจะไล่หลานลงไปนะเดเดือน7ปี7วันอะไรเนี่ยมีหมดเลยเพราะนั้นมันอยู่ที่ว่าฝึก ถูกต้องไหมทีนี้ถ้าเราไม่มีการยาณมิตรไม่มีเพื่อนไม่มีผู้รู้มาบอกเนี่ยถ้าผิดแล้วก็ผิดเลยแล้วก็ผิดนานแก้ไม่ได้แล้วก็ทําให้เนิ่นช้าคือการฝึกสติเนาะมันมีทั้งรูปแบบรูปแบบก็คือถ้าเราเคยได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์หรือว่าการยนานมิตรเนี่ยก็อย่างที่หลวงพ่อบอกมันก็หลายวิธี แต่หมายถึงว่าการปฏิบัติตามรูปแบบก็คือหยุดการทำงานนะหยุดการทำงานหยุดการคือวางไว้หมดก่อนวางไว้ชั่วคราวก่อนนะแล้วก็มาอยู่คนเดียวมาอยู่คนเดียวก็แล้วก็มามาฝึกตามรูปแบบที่ที่เราเข้าใจนะอย่างพุโทโธอย่างเนี้ยก็บริกรรมพุโทโธไปแล้วก็ให้มีสติรู้กับคำบริกรรมนะพุโทโธพุโทโธพุโทโธคือให้มีสติ โดยเอาพุทโธเนี่ยมาล่อมาล่อจิตให้จิตรู้นะให้จิตเนี่ยระลึกได้ว่ากําลังพุทโธอยู่ลองนึกภาพนะพวกเราถ้าเคยบริกรรมพุทโธเนี่ยพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธระหว่างพุทโธเนี่ยบางครั้งเนี่ยพุทโธหายก็คือว่าใจเนี่ยแสดงว่าใจไปคิดเรื่องอื่นแล้วนะคำบริกรรมพุทโธก็หยุดไปหายไป แต่ตอนที่พุทธโธหายเนี่ยตรงนี้ขาดสติคือยังไม่รู้ว่าพุทธโธหายไม่รู้นะเพราะที่มันไม่รู้เพราะว่าขาดสติไงแล้วก็ไปคิดเรื่องอื่นคิดแล้วก็ยังไม่รู้ว่าพุทธโธหายจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งก็ระลึกได้คือตื่นรู้ขึ้นมาว่าอ้าเมื่อกี้เผลอไปนะเผลอไปคิดพอมีสติระลึกได้ว่าเมื่อกี้เผลอไปเนี่ยมันก็กลับมากลับมาก็คือเริ่มต้นพุทธโธใหม่ พุทโธไปเรื่อยไปเรื่อยพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธแล้วก็มันก็เข้าอีรอบเดิมอีกนั่นแหละก็คือเผลอไปคิดอีกแล้วแล้วก็ไม่รู้พอมีความรู้สึกตัวแล้วก็ระลึกได้ว่าอ้าเมื่อกี้เผลออีกแล้วแล้วก็เริ่มต้นใหม่ก็คือพุโทโธต่อพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธเนีแต่ทีนี้บางทีเนี่ยคำบริกรรมพุโทโธเนี่ยมันหายไปนานถ้าพุโทโธหายไปนานนี้แสดงว่าขาดสตินาน ชาพุทธโทพุโทโธแล้วมันไปคิดแล้วก็ไม่ไม่นานแล้วก็ระลึกได้อย่างนี้เขาเว่าสติเร็วขึ้นอ่าะฉะ น, นั้นเราก็ใช้คําบริกรรมพุโทโธเป็นเครื่องฝึกสติไอ้ตรงนี้จริงๆอ่ะภาษาหลวงพ่อเนะีเรียกว่าฝึกสติแต่บางคนเขาอาจจะเรียกว่าฝึกสมาธิแต่จริงมันก็เรื่องเดียวกันนั่นแหละแต่หลวงพ่อกําลังชี้ให้เห็นว่าไอ้สมาธิจะมีหรือไม่มีมันก็ขึ้นอยู่กับสติ เพราะว่าถ้าเผลอสติขาดสติเนี่ยมันก็เผลอไปแล้วสติสมาธิก็ก็ไม่มีไม่มีความตั้งมั่นเอ้ดังนั้นเนี่ยถ้าใช้คําว่าฝึกสติเนี่ยคือมันได้ทั้งศีลทั้งสมาธิแล้วก็ปัญญาอ่ะทีนี้พอมาถึงขั้นนี้แล้วนะพุทโธแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยมันเป็นอย่างนี้อ้าพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธรู้อยู่นะแล้วขณะที่บริกรรมพุทโธเนี่ยมันจะมีความคิดที่ไม่ใช่คําว่าพุทโธเนี่ยมันจะซ้อนขึ้นมา มันจะซ้อนมันซ้อนขึ้นมาแล้วตรงที่มีสตินี่ก็จะเห็นนะเห็นว่าอ๋อมันมีความคิดอื่นซ้อนขึ้นมาตรงเนี้ยไอความคิดที่ซ้อนขึ้นมาเนี่ยตรงเนี้ยมันซ้อนมันเกิดขึ้นมาเองเพราะว่าเราไม่ได้เราเราไม่ได้เราไม่ได้คิดอย่างนั้นที่เราคิดคือคิดคบริกรรมแต่สิ่งที่ซ้อนมาเนี่ยมันเกิดของมันเองแต่สติเห็นได้รู้ได้ว่า ไอ้ที่มันซ้อนแวบๆเล็กๆนิดๆแวมๆเนี่ยตรงเนี้ยมีสติจึงเห็นมันอก็แค่รู้แค่เห็นนะทีนี้เราก็พุโทโธไปเรื่อยไปเรื่อยแล้วมันก็ซ้อนขึ้นมาเรื่อยๆอก็เห็นเห็นแบบไม่สนใจเพราะว่าถ้าสนใจเดี๋ยวมันก็ทิ้งพุโทโธนะเพราะฉะนั้นเพียงแต่เห็นแล้วก็ไม่สนใจนะตรงเนี้ยหลวงพ่อก็จะชี้ให้เห็นว่าไอ้ความคิดที่มันซ้อนขึ้นมาเนี่ย มันเป็นแค่เล็กๆเหมือนกับว่ามันซ้อนขึ้นมาเล็กๆมันเกิดของมันเองแล้วมันก็ดับของมันเองเนี่ยตรงนี้จริงๆเนี่ยมันขั้นขึ้นวิปัสสนาได้แล้วเนี่ยคือเห็นว่าไอ้ความคิดที่ซ้อนมาเนี่ยมันเกิดเองดับเองนะแต่วิปัสสนาเนี่ยมันจะต้องมีปัญญามากกว่านี้คือมีปัญญาถึงขั้นที่ว่าไอ้ความคิดที่มันซ้อนขึ้นมาเนี่ยมันเกิดเองนะแล้วมันก็ดับเอง ไม่ต้องถามใครเลยว่าไอความคิดที่ซ้อนมาเนี่ยมันเกิดเองดับเองจริงหรือเปล่าทุกคนก็สามารถที่จะทําเป็นจริงได้ว่ามันซ้อนขึ้นมาเองแล้วมันก็หายไปของมันเองนะถ้าเป็นวิปัสสนาที่เจอว่าไอสิ่งที่มันเกิดไอความคิดที่ซ้อนที่มันเกิดเองดับเองเนี่ยมันไม่ใช่ตัวตนนะมันไม่ใช่เราเออตรงเนี้ยมันเองดับเองโอ้โอหมันไม่ใช่เรานี่อ่าแล้วก็ เข้าใจถึงว่าอ๋อสิ่งนี้อ่ะที่เขาสอนว่ามันคือสังขารปรุงแต่งคือเกิดแล้วมีแล้วหมดไปนะเกิดแล้วมีแล้วหมดไปเกิดแล้วมีแล้วหมดไปเอ้ามันเป็นสังขารไม่เที่ยงนี่มันเป็นสังขารเป็นทุกข์นี่มันเป็นอนัตตานี่เห็นไหมก็จะเข้าใจเรื่องความเป็นอนัตตาของความคิดที่มันเกิดขึ้นเองนะแล้วทีนี้พอพอเราพุทโธไปเรื่อยเนี่นะพุทโธไปเรื่อยพุทโธไปเรื่อยเนี่ย โดยที่ว่ามีสติอยู่กับพุทโธแล้วสิ่งที่มันเกิดซ้อนขึ้นมาในตัวเราเนี่ยก็มีอย่างอื่นอีกนะเช่นในในทางจิตใจสมมติหลวงพ่อจะพูดในทางจิตใจเนี่ยมันก็จะเห็นถึงความสงบของของจิตนะว่ารู้สึกว่าขณะที่บริกรรมพุทโธเนี่ยมันมีความสุขมันมีความสงบมันไม่วุ่นวายใจอ่าจะเห็นความแตกต่างกับก่อนที่จะมามาฝึก ตอนที่ไม่มาฝึกนี่มันวุ่นวายใจมันโอ้มันอะไรก็ไม่รู้แต่พอมาฝึกก็จะรู้เลยว่าอ๋อจิตสงบลงเพราะฉะนั้นไอ้จิตสงบลงเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่สติไประลึกรู้ว่าอ๋อทางจิตใจมันสงบลงตรงเนี้ก็จะเห็นการความสงบว่ามันสงบของมันเองนะเนี่ยเราไม่ได้ทําให้สงบหรอกบอกเพราะว่าที่เราทําคือเราบริกรรมพุทธโธเราไม่ได้ทําความสงบ ความสงบมันก็มาเองอแต่เราไม่อยาดอย่าไปสนใจกับความสงบนะเพียงแต่ว่ารับรู้ได้ว่าโอ้จิตตรงนี้มันมีความสงบเออมันมีความสุขเหมือนกับว่ารับรู้ได้ด้วยสติแต่อย่าไปทิ้งพุโทโธว่าพุโทโธเนี่ยมันเป็นฐานที่ตั้งใช่ไหมเป็นฐานเป็นฐานหลักของสติถ้าถ้าทิ้งฐานเมื่อไหร่นะเดี๋ยวมันกระจุงกระจายก็กลายเป็นว่าขาดสติ เพราะว่ามันไม่มีฐานที่ตั้งหมายถึงว่าใหม่ๆเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าฐานไม่มั่นคงพอฐานไม่มั่นมั่นคงเสร็จแล้วเดี๋ยวความคิดลากไปหมดลากให้ไปทํำนู่นไปทํานี่ตกลงรูปแบบกรรมฐานไม่รู้มันหายไปตอนไหนหมดเลยเพราะว่าไม่ได้อยู่กับฐานของพุทโธนี่หลวงพ่อพูดก็มาย่อๆก็คือว่าหวาว่าที่กําลังฝึกสตินะกําลังฝึกสติกับคําบริกรรมเนี่ยมันเกิดทั้งทางศีลเขาเรียกว่ามีศีล เพราะว่าเหตุที่มีศีลเนี่ยมันหยุดการเขาเรียกว่าหยุดจากการพูดเพราะคําพูดของเราเนี่ยนะถ้าถ้าเราไม่ท่องบริกรรมพุโทโธเนาะมันอาจจะไปพูดเรื่องอื่นแล้วพูดแล้วมันก็ผิดศีลคือพูดโกหกพูดคำหยาพูดเพ้อเจอ้อเห็นไหมมันอาจจะผิดศีลทางวาจาได้แต่ถ้าบริกรรมพุโทโธเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเรื่องการขาดศีลเลยเพราะว่ามันไม่ได้ทําผิดอะไรไม่ได้ทําผิดทางวาจาแล้วก็เราอยู่กับกรรมฐานเนาะ ก็ไม่ได้ออกไปทําร้ายใครไม่ออกไปกินเหล้าไม่ออกไปรบราข้าวฟันกับใครนะมันก็เป็นศีลโดยที่ว่าไม่ต้องไปไปทําให้มันเป็นศีลมันจะเป็นศีลดยทีไไ่ไม่ต้องไม่ต้องไปต้องไปเจตนาที่จะไม่ทําอะไรเนี้ยอ่าแล้วพอพอมีศีลเนาะมันก็มีสมาธิก็คือจิตสงบตั้งมันมีความสงบมีความสุขอ่าแล้วก็ ในขณะที่ทําสมาธิก็เห็นสภาวะธรรมมีการเกิดการดับแล้วก็มีเข้าใจถึงการเกิดการดับว่าอ๋อมันเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองเราไม่ได้สั่งเราไม่ได้กําหนดอ่แล้วก็จะรู้ถึงว่ามันเป็นไตรลักษณ์คือมันมีความแปรปวนคือมีความไม่เที่ยงแล้วก็มีความเป็นทุกข์คือมันทนสภาพเดิมไม่ได้หมายความว่ามันเกิดแล้วมันก็ต้องดับไปแล้วก็เห็นความเป็นอนัตตาคือ บังคับมันบังคับมันไม่ได้คือบังคับอย่าให้มันมันคิดอย่าบังคับอย่าให้มันเจ็บมันปวดบังคับไม่ได้ทั้งหมดแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดคือสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับไปสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับไปตรงเนี้ก็เห็นความเป็นไตรลักษณ์คือลักษณะสามอย่างแล้วก็มีปัญญาเริ่มเข้าใจว่าอ๋อที่ท่านสอนว่าไอไตรลักษณ์สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งอยู่ดับไปนี่เนาะมันไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ตัวตนอะไรอ๋อมันเป็นอนัตตาตรงนี้คือเดินปัญญา